อุปจาระสมาธินั่นแหละเป็นเมื่อชำนิชำนานคุ้นดีแล้วก็จะแน่วแน่กลายเป็นอัปปนาสมาธิเป็นองค์แห่งฌานต่อไปในอุปจาระสมาธินิวรณ์ก็ถูกละได้แล้วองฌานก็เริ่มเกิดคล้ายกับอัปปนาสมาธิมีข้อแตกต่างเพียงว่าองฌานยังไม่มีกาลังดีพอได้นิมิตพักหนึ่งก็ตกผวังพักหนึ่ง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 เธอพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญจากทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้และสเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นทำอันเธอได้เจริญ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 ตัวอย่างอื่นอีกเช่นในทเวทาวิต ก, กสูตรมัชิมานิกายมูลปั น, นาสที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เองว่า 1. ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมุ่งเด็ดเดียวอยู่มีเนเขมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น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 ขณิกะสมาธิอันมีมาก่อนหน้าที่จะเกิดอปปนาสมาธิในขั้นฌานตามความในข้อที่สส่วนบริกรรมสมาธิก็มีตัวอย่างเช่นผู้ตีฝึกที่ผโสดออกจากฌานแล้วเอาจิตกําหนดเสียงต่างๆตั้งแต่เสียงที่ดังมากแต่ไกลเช่นเสียงเสือสิงค์คำรามเสียงรถบรรทุกหรือเสียงตแตรรถเป็นต้นและกําหนดเสียงที่เบาผ่อนลงมา